แต่ตามเส้นทางเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นเป็นอะไรเาเรียกว่าท่านท่านแบ่งคนที่จะมารับฟังคำสอนของท่านเนี่ยนะเป็นเปรียบเหมือนบัวสามประเภทบัวประเภทแรกเนี่ยบัวพ้นน้ำขึ้นมาแล้วเพียงได้รับแสงแดดนิดหนึ่งก็บานอย่างนี้เรียกว่าอุคติตันอยู่ประเภทที่ว่ามีปัญญามากเพียงได้รับคำสอน นิดหน่อยตอนนั้นเองท่านก็เข้าใจได้เลยอีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองบัวอยู่ปลิ่มปลิ่มน้ำรออีกวันหนึ่งได้รับแสงแดดก็บานอันนี้คือคนที่มีปัญญาระดับรองลงมามีอินทรีย์แ ก, ก่กล้าถัดมาเป็นลำดับลงมาฟังครั้งแรกยังไม่ยังไม่ปิ้ง ต้องมีคําอธิบายมากขึ้นอีกไม่นานทันปิ้งแปบ๊บเดียวก็ถัดจากองค์แรกประเภทแรกเนี่ยไม่นาน แ, แต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับองค์แรกประเภทแรกที่ว่าฟังครั้งแรกก็ปิ้งเลยอีกประเภทหนึ่งประเภทที่ประเภทที่สองเรีว่าวิปจิตันยูนะประเภทแรกอุกติตันยูประเภทที่สองวิปจิตันยูประเภทที่3าคือบัวที่ยังอยู่ในน้ําบัวที่อยู่ในน้ำเนี่ย ต้องรอเวลาอีกกี่วันไม่แน่มันอยู่ระดับไหนของน้ําน้ําตื่นน้ําลึกก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมรอเวลาให้ผลพ้นผิวน้ําขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้แสงแดดก็าบานคนประเภทนี้เรียกว่าเนยยะรู้จักเนยไหมเนยอร่อยไหมชอบไหมแต่นี่เป็นเป็นภาษาบาลีนะเนยยะไม่ใช่เนยนายะนะเนยยะ mm hmm. คือบุคคลที่ต้องฝึก ไม่ใช่ฟังแล้วปิ้งไม่ใช่ฟัง2ทีแล้วปิ้งแตต้องฝึกคนประเภทแรกบุคคลประเภทแรกเนี่ยก็มักจะอยู่ในยุคพุทธกาลบุคคลประเภทที่2ก็มักจะอยู่ในยุคพุทธกาลบุคคลประเภทที่3าเนี่ยในยุคพุทธกาลก็มีในยุคนี้ก็มีและถ้าเราจัดใน3ประเภทนี้ถามตามความเข้าใจตานะในยุคนี้เนี่ย น่าจะอยู่ในกลุ่มของเนยยะเพราะว่าถ้าเรามีบารามีมีสั่งสมบุญมามากพอเนี่ยคงจะได้ไปฟังพระพุทธเจ้าแล้วปิงคงจะฟังพระพุทธเจ้าอธิบายแล้วก็ปิงเป็นประเภทที่1นึ่แล้วไปเภทที่2ในยุคของพุทธการแต่ยุคเนี้ยฟังแล้วฟังอีกเอาซีดีมาดูแล้วดูอีกเปิดวิดีโอด้วยมันยังไม่ปิงใช่ไม <c oughs> เออแสดงว่าเราเนี้ยเนยยะ เนืยะก็คือต้องฝึกต้องฝึกฟังไปฝึกไปฝึกไปแล้วไม่แน่ใจก็ต้องไปถามถามกับท่านผู้ที่รู้แล้วตามสัพที่พวกเราเรียกก็คือไปส่งกันบ้านท่านให้เราไปทําก็เหมือนให้กันบ้านเอามาแล้วก็ทําที่บ้านอาตมานี่ก็ทําที่วัดสงสัยอะไรไม่แน่ใจก็ไปถามครูบาอาจารย์โยมทําแล้วไม่แน่ใจก็มาถามครูบาอาจารย์วิธีถามวิธีถามครูบาอาจารย์ก็คือ ถ้ามีเวลาก็ไปถามท่านที่วัดถ้าไม่มีเวลาบางทีก็เปิดซีดีก็ได้ที่ท่านตรวจกันบ้านคนอื่นน่ะบางทีก็ตรงกับไอ้ที่เราผิดอยู่เออใช่คนนี้ถามแทนเราปิ้งเลยบางทีไอ้ที่ที่ถามน่ะไม่ตรงกับเราแต่ที่อธิบายนะ่ะตรงประมาณอย่างนี้ถ้าไม่มีเวลาก็เปิดซีดีฟังเข้าใจว่าคงจะมีซีดีแจกให้นะวิดีโอนี่พอไหมวิดีโอนี้พอทุกคนหรือเปล่าไม่พองั้นก็ฟังเอา จริงๆฟังนะเหมาะลนะวิดีโอเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ว่างมากจริงๆเพราะมันต้องทั้งตาทาั้งหูต้องนั่งดูนีแต่ซีดีที่เป็นเสียงที่เป็นเ p 3เนี่ยเปิดในรถก็ได้พอเปิดฟังธรรมะในรถเนี่ยนะรถติดก็ไม่ไม่กังวลใจก็รู้สึกดีว่าเราได้ฟังธรรมะโดยที่ไม่มีอะไรกวัไม่ต้องไปกังวลกับการที่มันขับเคลื่อนไปการรู้ว่าชีวิต ที่ได้รับการพัฒนาปัญญาคือช่วงที่นั่งอยู่ในรถ <laughs>